ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่หกโดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29กรกฎาคม2552มีชื่อเรื่องว่าราชสีกตันยูเมื่อวานหลวงพ่อไปกราบคลวะหลวงพ่อทุย วัดดงสีชมพูแล้วก็เอาพระนว ก, กะไปด้วยเพื่อเป็นทัศนศึกษาบางองค์ก็ยังไม่เคยเห็นไปที่วัดโรวงพ่อถุยเมื่อวานอีท่านพระอาจารย์สุธรรมท่านจันบุตรมีท่านศัก์นาแค์นัดกันไปสามสีหวัดก็เอาลำไยไปถวายท่านด้วยวัดของเรากำลังกาลังดังเรื่องเรื่องลำไยเดียเ๋ยวนี้แจกไม่อั้นเลยงั้นเน พี่น้องหลูกหลานศรัทธาญาติโยมลงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลใครๆมาแล้วก็ให้ไปแต่าหาหาคนเก็บยากเท่านั้นนะหาคนเก็บยากแต่เรื่องแจกเนี้แจกไม่อั้นว่งงั้นแต่วันนี้ยังบอกว่าน่าจะเอาไปถวายหลวงปู่ลีภูสังโคถ้มกองเพลด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีใครเก็บช่วยช่วยกันดูนะเอาไปถวายครูบาอาจารย์พระสง มันมีขึ้นมาแล้ววัตถุดิบเรามีแล้วเราก็ควรจะทําบุญครูบาอาจารย์วัดของเรามีอยู่มีฉันวัดอื่นท่านครูบาทั้งหลายอาจจะต้องการฉันหมากผลไม้มั่งทําบุญไปเรื่อยแต่บ้านตาดออกไปแล้วล่ะบ้านตาเออกไปทั้งสามสิบกว่าลังพอไปเห็นโอ้มาเลินทนทึกว่างั้นจากนั้นก็ถวายวัดต่างๆในช่วงนั้นแล้วก็แถบเราเนี่ยก็ถวายหมดแล้วผู้ก้อนบ้านเพิ่มวัดเล็กวัดน้อย เวลาพระมาครวาเราก็เอาให้วัดละถุงละถุงละถุงอีกอำเภอบ้านผืนน้ำโสมเรามีแล้วก็เฉลือเจือจานไปเฉลือเผือแพร่ไปให้มันเกิดประโยชน์สรุปแล้วใ ห, ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าขนหนาหน่อยสําหรับคนเก็บท่านนน่ะพวกที่เก็บต้องใจดีต้องใจเย็นท่านน่ะอย่าไปคิดใจร้อนนะใจร้อนนะบุญมันวิ่งหนีหมดถ้าใครใจร้อนบุญนนท์วิ่งหนี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 แต่อยไปคิดชั้นๆจะคิดสั้นแล้วไม่ได้ล่ะคิดเห็นแก่ตัวเราไม่ได้ไม่ได้บุญเพรางั้นเมื่อวานนะครัไปถวายหลวงพ่อทุย<ฮ>ก็หลายถุงอยู่เหมือนกันแล้วก็ฝากการสุธรรมด้วยท่านบุญมีด้วยท่านบุญมีก็มีพระมากเลยให้ท่านมากหน่อยท่านสักให้สองถุงองค์เดียวสองถุงกันเหลือเฟือแล้วเราแจกตามตามพระนะเราไม่ได้แจกตามวัดนะถ้าวัดไหนมีพระมากเราก็ให้มาก วัดไหนมีพระน้อยเราก็ให้น้อยตามแ ต, แ ต, แต่ตามไม่จริงวัดน้อยมันต้องได้เปรียบ ก, กว่าวัดมากอยู่แล้วถ้าว่าอย่างวัดของเราสามสิบเก้ารูปเนี่ยใช่ไหมสามสิบเก้ารูปเนี่ยเราให้รูปละสององค์อย่างท่านสักเนะ่จะเป็นเท่าไหร่ไปง้นเถอะตั้งเจ็ดสิบกว่านะเจ็ดสิบแปดสิบถุงนนะบัลลังก์ททอกเลยว่างาอะอันนี้เขามาให้อย่างมา ก, กสี่ห้าถุงเนทะ่าน่ะถ้าจะสีเรียกใส่กันแล้วก่อ เสียเปียบผูดที่พระน้อยว่า ง, งั้นแะนะแต่เขาไม่เป็นไรหรอกเราอยู่หมู่มากเราก็ชั้นแบบหมู่มากเลยันแบบเข้มเขมแต่บางคู่บางคนก็อย่างที่ว่าจริงๆนะหลวงพ่อว่านะนการทาบุญมันไม่ฉลาดเหมือนฝรังเขาบางทีมีแ ป, ปซ๊ซี่โค ล, ลาหรืออะไรของมาเขาถวายตามวัดนะวัดนี้ก็เท่านั้นวัดนั้นเขเท่านั้นเสมอกันหมดถึงจะพระเป็นร้อยกให้อย่างเก่านั่นะ พระสององค์เขาก็ให้อย่างเก่าเออันนั้นแปลว่าทําบุญแต่เราก็ไม่ว่าเต่ว่าศรัทธาของเขายแต่ว่ามันจะไปทางไม่คิดไม่อ่านจะมากกว่าถ้าว่าคนคิดมันก็ต้องรู้จักอย่างที่หลวงพ่อเน่ะโอ้ยหลวงพ่อคิดมากก็จะว่าอย่างนั้นอีกล่ะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็คิดมากจริงๆนั่นแหละไม่ต้องเฉลีย่ยตามวัดต่างๆวัดพระมากเราต้องถวายมากถ้าวัดน้อยแล้วก็ต้องถวายน้อยไม่ใช่ว่าถวายไปมากก็ทิ้งเกินวัดที่ท่านมากท่านก็ไม่พอยชั้น ้หงงพวกท่านทั้งอยู่มากเด้่ยจะจะช่วยยังไงได้ถ้าอย่างนั้นพวกครูบาทั้งหลายก็ควรจะคิดว่าเออเราไม่ควรจะกินกับคนโง่านาะเราต้องหากินกับคนฉลาดถ้าคนฉลาดเขาก็ต้องคิดรอบขอบอันนี้ถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาไม่รอบขอบเราก็ไม่ควรจะกินกับเขาอีกพระก็พระหมู่บ้ากก็ต้องทําใจเหมือนกันนาะมันต้องมีหลายแนวแง่ความคิดอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นในพวกเรานะ ทำอะไรต้องฉลาดต้องรอบครอบนะแต่ก็วันนี้ก็ทราบข่าวว่าหลวงปู่จามไม่ค่อยสบายหลวงปู่จามหลวงอาบ้านห้อยทรายท่านอายุร้อยปีวันที่สิบเก้าพุทธภาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยร้อยปีพอดีแกกว่าหลวงตาของเราสี่ปีวัดโพธิสมพรเนี่ยเก้าสิบแปดหลวงตาเก้าสิบหกหลวงปู่จามหนึ่งร้อยร้อยกว่าละ เพราะว่าท่านพุทธพาเนี่ยท่านร้อยพอดีหลวงปู่จามเกิดปีปีจอหลวงปู่จามเกิดปีจอคือปีหมาปีจอหลวงปู่ล่าเกิดปีกุลหลวงตามหาบัวเกิดปีฉลูปีฉลูขี่วัวอีกปีหนึ่งปีอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันว่าหลวงตามหาบัวอ่อนกว่าหลวงปู่จามเีปีจอกุลชวดฉลูนะสี่ปีเป็นอันว่าหลวงปู่จาม ร้อยปีปีเนี่ยหลวงตามหาบวญเก้าสิบหกทราบข่าวว่าท่านเป็นไข้หวัดนะโดยมากนั่นะพอมีอากาศเปลี่ยนแปลงน้อยนึงก็เอาละธาตุขันของผู้สูงอายุไม่ค่อยสบายเข้ามาและ่อย่างคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังดูก่อนถ้าท่านไม่สบายหลวงพ่อเขาคงจะได้ลงลงไปดูแต่ดูดูอะไรก็คงยับไม่ได้ อันนั้นเราก็คงจะไปช่วยช่วยดูกับลูกหลานพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมพระเนรนั่นแหละควรจะดูแลองค์ท่านอย่างไรเมื่อคืนก็ฝันหลวงพ่อฝันหลวงพ่อเขาฝันเหมือนกันนะฝันเห็นหลวงตาเหมือนกันนะเมื่อหลวงตาก็ไม่สบายเหมือนกันในฝันเมื่อคืนนะี้แล้วเราอยากได้เข้าไปกราบไปไหว้ท่านอยู่เนี่คยค่อยๆ ค, ยคานเข้าไป อ, <c oughs> อายุขนาดนี้แล้วก็ยังว่านะแต่ท่านก็ไม่ห่วงหาอาทรสําหรับท่านเอง อย่างหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาลก็เหมือนกันโอ้ข่าเนี่เบื่ออยู่จริงๆอายุแก่ขนาด น, น, นี้แล้วมันไม่มีความสุขในธาตุนในขันนะ่ะขันก็บ่นอยู่อย่างนั้นนะ่ะให้หลวงปู่อายุยืนยาวเอ้ยชาถ้ า, า, า, า, า, าจะพูดมาให้ข่าอายุยืนต้องทะเลาะกันฮะหลวงปู่จามเนีลยข้าไม่อยากจะอายุยืนละมาปูนี่ละแต่จะตายทําเมงใหมันไม่ตายถ้าอดอาหารมันก็หิวถ้ากั้นใจก็หายเจลฟืด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 อันนี้เป็นมันหนักจริงๆในธาตุในขันเนี่ยครูบายอาจารย์ที่ท่านได้ประพุทธปฏิบัติธรรมได้พิจราจราณาถึงการเป็นอยู่ของธาตุขันร่างกายแล้วก็ท่านไม่วิต ก, กังวลอะอะไรก็ได้เนยแต่ก็พยายามทําดีที่สุดในขณะที่ท่านยั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่อย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่เมื่อถึงคราวมันแล้วท่านก่อน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 หลักทําคําสั่งสอนของหลวงพ่อน ะ, อะไม่ใช่ทําคําสั่งสอนหลวงพ่ออินนะหลวงพ่อแนะนำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวท่า น, นบอกอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อชีวิตมันเป็นอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะและก็ะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้สร้างบารมีเอาไว้ทําบุญเอาไว้ทําบุญทําบุญอ่ะไม่ใช่ว่าจะควักกับเงินออกมาจากกระเป๋าทําบุญไม่ใช่การทําบุญมีมากมายนั่งภาวนาพุโทโธพุทโธ ท, ทั้งวีทั้งวันนั่นแหะมหากุศลอันยิ่งใหญ่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 แล้วก็ให้เคารพปิดามารดาปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่แล้วก็ให้เคารพในประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่ตายตัวเองจะอยู่นานจากเท่าไหร่เพราะนั้นเพราะเหตุนั่นแหละมีอะไรเกิดขึ้นพอที่จะยืดหจุ่นกันได้ก็ย้อนงั้นเถอะย้อนย้อนงานเถอะทําอะไรหัวชนฝาหัวชนก้อนหินนี่ยไม่ยอมฟังใครทั้งหมดนะมันก็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 ท ำ, ทำตามอาเภอใจทาตามมัทธาใจเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่ยอมฟังใครทั้งหมดอันนี้ของไม่ถูกเหมือนกันนะต้อง ต, วตรวจตาดูตนเองแต่อยู่ด้วยกันก็ต้องมีความกตัญญูกะตะเวทิตารู้จักบุญคุณซึกกันละกันถ้าถาว่าพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีน้าจิตน้ำใจต่อกันมันก็ไม่ได้นะอยู่ด้วยกันลำบากแต่ถึงอย่างไรมันก็อยากไหวเหมือนกันนะ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 แต่ถ้ า, าว่าเป็นสัตว์ก็ตีเป็นคนก็ดีถ้าเคยทําบุญทําทานร่วมกันมาก่อนเคยบารมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วเท่าไหร่เห็นการถึงจะเป็นสัตว์ต่างประเภทก็ยังเคารพนับถือเชื่อฟังกันเหมาอนกันอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าที่ท่านยกขึ้นพูดที่กรุงสวัสดีท่านเห็นภิกษุทะเลาะกันภิกษุทะเลาะกั น, นครั้งนั้นเขาโจทดขานพระอานนท์พระอานนท์ท่านไปที่ กุงสวัสดีท่านก็ไปเทศนาว่าการให้พวกสนมนาลีของพระเจ้า ป, ปรเสรที่โกศลสนมนาลีเหล่านั้นก็ถวายผ้าท่านห้าร้อยผืนคนละผืนละผืนละผืนห้าร้อยคนท่านได้ผ้ามาแล้วท่านก็แจกแบ่งให้พระนะแจกแบ่งให้พระองค์ไหนที่พระผ้าชำรุดท่านก็ให้องค์นั้นองค์นั้ น, อ ง, น, นองค์นั้นไปแล้วก็องค์ที่ได้ผ้าไหมมา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 เอาไปทิ้งเกลือนเอาไปขายแล้วเอาไปยังไงแตอนนี้พระพญาประสิทธก็เลยเข้ามาสืบถามพระอนุนพระอนุนก่อนทูลบอกกล่าวพระยาประสิทธว่าเนี่ยที่อาตมาผ้าไรมาผ้าเนี่ยก็เอามาถวายพระ ท, ระ ท, ระ ท, ท, ทะี่พระที่ผ้าของท่านชารดมันขาดละองค์ที่พอองค์นี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ผ้าที่องค์เปลี่ยนก็องค์ไหนที่จะใช้ได้เอาไปใช้ผลที่สุด ผ้าที่องค์สุดท้ายก่อนอย่างที่ว่าทำเป็นผ้าเช็ดเท้าบางทำเป็นไขาย่มกับดินเหนียวชากุติพญาปรเสิได้ยินโอ้ท่านทำคุณประโยชน์จริงๆเ อ, อท่านมาได้ทิ้งได้กวางหาได้ยากส ม, มณะเป็นผู้สำรวมระวังเป็นผู้ไม่อยู่ด้วยความไม่ประมาทจริงได้ของมาแล้วใช้ให้มีคุณค่าอย่างสุด พญาปเสนเลยกเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างมากเลยจากนั้นท่านก็เลยถวายไปอีกห้าร้อยผืนอีกแต่นี่พระอานุน์ก็เห็นว่าพระจํานวนนั่นก็ได้มากพอสมควรแล้วท่านก็เลยให้ลูกศิษย์ของท่านเลยพวกลูกศิษย์ของท่านเนีอาอาอกไปใช้ใเก็บเกี่ยวไปนะใช้ใองค์ไหนขาดเรือขาดตกดแต่นี้พระจํานวนอื่นเลยไม่ได้อย่างพระลูกศิษย์พระอานนเลยเขาขอโพลทนาขึ้นมาว่าพระอานุน์เห็นแก่น่าให้แต่ลูกศิษย์ตัวเองตามไม่จริงได้มากก็น่าจะ แจกแบ่งให้ทั่วถึงกันอีกพระบางองค์มันคีโลบเลยคีโลกตัวนี้พระบางองค์แต่นี้ก็ไปกา ร, ราบทูพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจะบอกอานอนท์เนี่ยเป็นผู้มีความกระตันญูเป็นผู้รู้คุณคนเป็นผู้ทดทดแทนบุญคุณของคนเพราะฉะนั้นเวลาได้ผ้ามานนนเนี่ยก็เนี่ยที่แรกท่านก็ให้ทั่วถึงกันพอต่อมามันทั่วถึงกันแล้วท่านก็ให้เฉพาะลูกศิษย์ ที่อยู่ใกล้ท่านมันก็ถูกแล้วเนี่ยจะให้แจกไปยังไงอีกที่ท่านทำในถูกแล้วพระอนนท์ เ, นเป็นผู้มีความกตัญญูนะแต่ชาติก่อนเขาก็มีเป็นอย่างนี้แหละอานนท์เขาก็เลยพระสงฆ์เลยถามว่าสมัยไหนไปเจ้าภาพที่พระอานนท์แสดงความกตัญญูพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นราชสีอยู่ในถ้ำแต่ที่เราก็ออกมาล่าสัตว์ราชสีออกมาหากินว่างั้นแหละวันข่าวหนึ่งมาไล่พวกไล่พวก เนื้อเหมือนกันแไล่พวกเนื้อวิ่งอย่างไม่ได้คิดได้อ่านเหมือนกันแะวิ่งมาก็เลยกระโดดลงไปในหล่มเอมคงจะเป็นหลุมน้ํามันเป็นหล่อมติดหล่อมเหมือนกัน่ะราชสีติดหล่มกระโดดจมลงไปลงทั้งสี่ขาแลยงงเหมือนกันแต่กระโดดไม่ได้เลยทีนี้ตายขึ้นก็ขึ้นไม่ได้มันจมเกือบครึ่งหลังละ่ะดิ่นลงเท่าไหร่ก็ยิ่งลงไปเรื่อยทีนี้มันเป็นสนมน่ะราชสีก็อยู่มัดเลยเหมงอนกันแต่นี้ก็บหมาจิ้งจอกตัวหนึ่ง คงคิดเป็นหมาจิงจอกใหญ่มั้งเดินผ่านมาพอผ่านมาเห็นราชสีมันก็กลัวเหมือนกันนะเหมือนพอเห็นราชสีเนี่ยตัวมันจะขมำ ม, มันอย่างน้นเนี่ยราชสีเขาเลยขอร้องขึ้นว่าเอ้ยหมาจิงจอกช่วยข่าโดยเท่าน่าติดลมแล้วเหมืนหมาจิงจอกเออมองหน้าดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นศัตรูเหมือนันแต่มองสายตาดูแล้วก็เป็นมิตรแน่เหมือนกนแต มันคงจะไม่ขมั่มกูมั่งเหมือนก็คงจะคิดอย่างนั้นน่ะหมาจิ้งจอกพอเห็นกันแล้วก็ถูกสัตตากันไว้กันน่ะสรุปแล้วอะไอย่างนี้อย่างที่ว่านี่ยถึงจะสัตว์เป็นสัตว์ต่างประเภทก็ยังรักกันเพราะเคยเกื้อกูลหนุนกันในจิตในใจมันมันเกื้อกูลหนุนกันลึกๆไว้กันน่ะหมาจิ้งจอกก็เลยเดินวนไปวนมาวนมาวนไปไปเห็นแหล่งน้ํามันอยู่ใกล้ๆกล้มันเห็นแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆกล้หมาจิ้งจอกตอนนั้นก็เลยเอาขาตะกุยตะกุยตะกุย คล้ายๆว่าทำล่างน้ำมางั้นแต่ปล่อยน้ำอันที่มันอยู่เหนือกว่าเนี่ยให้มันไหลมาให้มันไหลมาหาราชสีมางั้นแตอน้ำก็ไหลมาราชสีราชสีก็ขยับแขยงขยับขาได้ทีานี้แต่ก่อนมันแน่นเอ็ดแล้วนะ้มันดินตมเหนียวนะแต่ตันนี้พอพอน้ำไหลเข้ามาเลยราชสีมันก็ค่อยขยับขยับขึ้นมาพอขยับขึ้นมาได้ทีนี้หมาจริงจอกเห็นเออเราควรจะเอาเอากรตัวไปขวางที่คอของมันให้ ออกคอมันเกาะมันจะกระโดดขึ้นได้อกมั้งเลยหมายจริงจ่อตัวนั้นก็เลยกรนโดดลงไปเลยก็เอาตัวขวางที่คอของราชสีราชสีออกคางเกาะกเกาะเลยกระโดดขึ้นเออก็เลยออกจากหลุมหลุมลึกได้เพราะงั้งไงนไะในในชาตินั้นเพราะงัพอเจริญุ่มลึกราชสีนั่นก็เลยไปล้างน้ําไปอาบน้ำาะงั้งนระาชสีล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยเลยสบัดตัวแห้งเลยเรื่อมีเก้งไอพวกสัตว์มันมา ใกล้แถบนั่นแหะราชสีไลรมันเก่งอยู่ล้ราชสีมันล่าเนื้ออย่างนัะนแหจากนั้นมันาได้เนื้อมาก็เลยมาแบ่งให้หมาจิ้งจอกกิน่ะพอหมาจิ้งจอกกินราชสีมันก็กระคาบไปเพื่อจะให้ไปในทำของมันเลี้ยงพ่อแม่ของมันแต่หมาจิ้งจอกมันก็แบ่งมันก็คาบอีกเหมือนกันะไปคาบมันไปให้ไปให้ครอบครัวมันราชสีก็เลยถามเอาแกจะคาบเนื้อไปไหน หมาจริงตอก็ตอว่าคาบเนื้อไปให้ครอบครัวข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีลูกและเมีอยอยู่อยู่ในนั้นแต่อยู่ในป่านั่นเองถ้างั้นเอาไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะไปอยู่อยู่ในถ้ำด้วยกันก็ได้หมาจริงจอกกัและสีตัวนั้นก็เลยเป็นเพื่อนกั น, นแล้วก็ราชสีห์ตัวนั้นก็มีลูกสองตัวหมาตัวนี้ก็มีลูกตัวนี้ในขณะที่หมาจริงจอกกับราชสีห์ไปหากินไปล่าเนื้อเนี่ย เขาก็ให้เมียราชสีกับเมียหมาจิงจอกกันก็อยู่ในถ้ำแต่เมียราชสีเนี่อิดช้าได้แต่เนี่ยชิดช้าอิดช้าหมาจิงจอกว่างั้นเถะพอเห็นเนีจะเขมรเอางั้นเถอะผนี่สุดก็เลยหมาจิงจอกตอนนั้นมันอยู่ไม่ได้ทีนี้มันกลัวอราชสีตัวเมียเนี่ยมันเขมรเอาแต่นี้ราชหมาจิงจอกก็เลยบอกว่าท่านครับผมคงจะอยู่กับท่านไม่ได้อ้าวทําไมอบอกว่าเนี่ยแฟนราชสีเน่ย ขู่แฟนของผมอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นธรรมดาผู้มีอํานาจเหนือกว่าก็ต้อง ข, ขู่ผู้มีไม่มีอํานาจผู้มีกําลังเหนือกว่าก็ต้องขู่ผู้มีมีกําลังผู้มีสติปัญญาเหนือกว่าก็ต้องขู่ผู้มีผู้โง่ เ, งขงเขาเปลาปัญญากว่าอันนี้ก็เข้าข่ายลักษณะอย่างงั้นแหะครับพวกผมคงจะไปอยู่ตามลําพังน่าจะซีอโอไม่ได้ไม่ได้ฟังก่อนหยุดก่อนจากนั้นราชสีห์ก็เลยไปอบรมลูกและแม่บ้านบอกนี่นะ หมาจิงจอกตัวเนี้ยที่ข่าไม่ตายก็เพราะหมาจิงจอกตัวนี้เป็นผู้มีบุญคุณสําหรับข้าข้าตกล่นมาแล้วหมาจิงจอกตัวนี้ได้ช่วยข้าข้าจึงได้หลุดพ้นมาเพราะนั้นข้าจึงนําลึกถึงบุญคุณของหมาจิงจอกตัวนี้หมาจิงจอกตัวนี้เป็นผู้มีบุญคุณสําหรับข้าสุเจ้าไม่รู้ว่าข้าทําทําไมจึงทําอย่างนี้แต่ที่แท้จริงน่ยคือหมาจิงจอกนี่มีบุญคุณสำหรับหรับเราเราจึงได้ทดแทนบุญคุณเขา อก็เลยเล่าเรื่องความเป็นมาให้ครอบครัวฟังครอบครัวเหล่านั้นก็เข้าใจฮะลูกเอและเมียก็เข้าใจจากนั้นหมาจิงจอกกับราชสีห์สองครอบครัวนี่ก็เลยอยู่ด้วยกันยาวนานถึงเจ็ดชั่วโคตรว่างั้นนะเ <c oughs> จ็ดชั่วราชสีห์เจ็ดชั่วหมาจิงจอกว่างั้นเนดะ็นี่แหละในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีพระคุณต่อกันเคยสร้างบุญบรารมีเคยสั่งสมบุญมาด้วยกันเห็นกันมัน ชะตามันเข้ากันเออเมตตาอารีากันะแล้วก็พร้อมกันกับม้าจริงจอกตัวนี้ได้ช่วยเหลือเราเอาในชาตินั้นนี่แหละมาชาตินี้แหละราชสีก็คือเราเนี่แหละม้าจริงจอกก็คือพระอานุ์ไปะในชาตินั้นพระอนุ์เป็นม้าจริงจอกเราเป็นราชสีเนี่ยแหะอนุนเนี่ยเคยช่วยเหลือเรามาตลอดท่านได้เจอได้เห็นกันแล้วก็มีแต่ความรักกันมีแต่ความเมตตาต่อกันนี่แหละ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 พอเกิดเป็นหมาเลยก็เห็นแฟนตัวเองเป็นมนุษย์ตัวเองก็เป็นหมาเกิดขึ้นมากำลังยังรักอยู่เพราะจิตใจห่วงห่วงห่วงอะ่ะแต่คนไม่รู้ล่ะคนทำไม่รู้ว่ามันเป็นใครเหมือนกะมันเป็นหมาเนี่ยผลทนิชูก็เลยไปที่ไหนก็ไปด้วยไปที่ไหนก็ไปด้วยลาคานและเกินหมาตัวนี้เหอนผลทนิชูก็เลยวันหนึ่งก็เล ย, นเนยถ้าไม่ฆ่าเสร็จนล้วมันไม่จบตกหมาตัวนี้เหมือนผลนิชูก็เลยถือกระป๋องไปกระป๋องน้ําไปใส่ตักขี้ทรายใช่ไหมเรียกหมามา หมาอโอทำไมเจ้านายใจดีและเกิดมันนี้ยตะโกนไม่เคยเรียกเลยอย่างนั้นน่ะใช่แต่แทบเป็นอดีตสามีเก่าอย่างนั้นผลที่สุดเอาเชือกผูกคอหมาเสร็จแล้วก็เดินจุมจ๋มจุ๋มจุมลงไปในน้ำลึกๆแล้วปล่อยกระป๋องลงไปเอาเชือกผูกเชือกสั้นๆเสร็จแล้วช่ไหมกระป๋องมันก็นหนักอยู่แล้วกระป๋องทรายกระป๋องหินนะ่นนวางลงไปหมาก็ผูกคอหมาจุ่มลงไปในน้นําำหมาก็ตายอยู่ในน้ําหมือนนะองั้น น, นี่แหละนี่แหละอันนี้ก็กคือ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 พร้อมที่จะมาเกิดเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราได้เพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ไม่นิยมหรือไม่กินยอมให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เคารพของเขาแต่่าชาตินี้เขาตกต่าแล้วเขาเป็นลิงข่าเป็นคนแต่ชาติหน้าข่าอาจจะตกตำก่ำขวากเขาก็ได้เขาอาจจะมาเป็นคนเราอาจจะไปเป็นลิงก็ได้นีสิ่งเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้พออาพระอรหันตสาวกท่านรู้อดีตอนาคตในวัตตุจตูปะปาตยาน การจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านจึงไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ่าสั่งสมบุญคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาท ต, ตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อเนียย้ำแล้วย้ําอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกถ้าคิดว่าตายแล้วสูญเราพวกเราจะไม่ทําคุณงามความดีคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเราจะไม่ทำเพราะเหตุใดเพราะว่าตายแล้วสูญแล้วก็ไม่กลัวบาปกลัว กลัมอีกต่างหากจะทํำสิ่งไหนจะเบียดเบียนใครถ้ากฎหมายไม่ถึงแล้วก็ทําได้ทั้งนั้นกลัวต่กฎหมายท่านเองไม่กลัวกฎแข่งกลัมเหมือนกันเถอถ้าว่าพวกเราตายแล้วไม่ศูนยะ์เนี่ยกลัมมีแน่นะกลัมจะต้องตามสนองดวงวิญญาณดวงนั้นไปเกิดภพภูมิไหนกลัมจะต้องตามสนองเพราะนั้นให้ระวังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมแต่คุณงามความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเราทันทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร